บทที่ห้าสิบความสุขเมื่อเรื่องนี้สมภารวัดป่ามะม่วงจะเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียและประเทศเนปาลเป็นเวลาเก้าวันโดยเดินทางไปกับผู้แสวงบุญซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน นายสมชายจะขับรถไปส่งที่สนามบินดอนเมืองนอกจากจะไปนมัสการสังเวชนิยสถานแล้วคณะผู้สแสวงบุญจะไปดูผู้วิเศษที่คนไทยพากันข้ามน้ำข้ามทะเลไปกราบไหว้บูชาเพราะศรัทธาในอิทธิฤทธิ์ของท่านผู้นั้นฉันพัฒหารเช้าแล้วบรรพชิตผู้มีจิตเปี่ยมด้วยเมตตาก็ลงรับแขกเช่นทุกวันผู้คนมานั่งรอกันแน่นกุฏิ ส่วนใหญ่จะมาให้ท่านช่วยบ้างก็มาขอเงินไปให้ข้าเล่าเรียนลูกที่จนกว่านั้นก็มาขอเข้าสารพริกหอมกระเทียมซึ่งท่านก็ให้ไปด้วยความยินดีและเต็มใจเพราะยึดมั่นในคาถาของหลวงพ่อสดว่ายิ่งให้ยิ่งได้คาถานี้ช่างขลังนักเพราะข้าวขอเงินทองไหลามาเทมาจนพวกลูกศิษย์นับไม่หวัดไม่ไหว ภิกษุวัยห้าสิบเศษมีความสุขกับการได้ให้และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆอันเป็นธรรมดา ว, วิสัยของผู้พ้นจากบ่วงมานที่จะไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองนอกจากผู้มาขอแล้วก็ยังมีผู้มาให้กล่าวคือญาติโยมที่ได้ยินกิตติศัพท์ความดีงามของท่านแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสต่างพากันมาถวายข้าวของบ้าง ถวายปัจจัยบ้างเมื่อพวกเขาให้มาท่านก็ให้ไปมีผู้ขอก็ต้องมีผู้ให้หากมีแต่ผู้ขอท่านก็ไม่รู้จะหาเงินทองข้าวของที่ไหนมาให้และถ้ามีแต่ผู้ให้ไม่มีผู้ขอท่านก็ไม่รู้จะนําข้าวของเงินทองที่เขาให้มานั้นไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะมีผู้ศรัทธานำเข้าสารใสรถบรรทุกมาถวายอยู่เนือง หากไม่แจกจ่ายไปก็คงจะไม่มีที่เก็บดังนี้เป็นต้นรับแขกอยู่จนถึงเวลาฉันเพนท่านจึงบอกญาติโยมว่าไปทานอาหารกันก่อนและค่อยกลับวันนี้ที่โรงครัวเขามีแกงบอลเลี้ยงท่านรู้โดยไม่ต้องเห็นดิฉันไม่กล้ากินหรอกค่ะกลัวคันสตรีผู้หนึ่งบอกแสดงว่าโยมปากบอน โบราณเขามีเคล็ดว่าใครปากบอนกินแกงบอนแล้วคันใครปากไม่บอนกินแล้วไม่คันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นรู้ไหมไม่ทราบค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะหล่อนถามญาติโยมคนอื่นๆต่างก็อยากรู้คำตอบเช่นกันเพราะมันมีที่มาเรื่องทุกเรื่องต้องมีที่มาท่านพูดยิ้มยิ้ม แล้วจึงขยายความให้ฟังว่าสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆหน้าทอดกระถินคนก็พากันมาทำบุญมากมายพวกแม่ครัวก็จะทำแกงบอเลี้ยงแขกทีนี้แกงก็ยังไม่ทันสุกดีเขาก็ยกหม้อแกงลงพอกินก็เลยคันโยมจำไว้นะแกงบอนถ้าไม่สุกมันถึงจะคันทีนี้เขาก็กลัวว่าจะอายแขก ก็จึงหาวิธีที่จะทำให้ไม่ถูกตำหนิแม่ครัวคนที่เป็นต้นคิดก็บอกว่าแกงบอนวัดนี้คนปากบอนกินถึงจะคันใครปากไม่บอนกินแล้วไม่คันพวกแขกที่มาร่วมงานกันเวลากินแกงบอนเข้าไปคันกันทุกคนแต่ปิดปากเงียบกลัวเขาจะรู้ว่าปากบอนเอาละไปกินแกงบอนกันได้แล้วแกงบอนสูตรวัดป่ามะม่วงกินแล้วไม่คัน ถึงคนปากบอนกินก็ไม่คนันท่านพูดยิ้มยิ้มดิฉันคงไม่กล้าเสี่ยงหรอกค่ะไปทานที่ร้านอาหารดีกว่าสตรีผู้นั้นกราบเรียนหลายคนพากันคิดแบบเดียวกับหล่อนจะไปทานที่ร้านให้เสียงเงินทําไมทานที่วัดนี่แหละอาหารที่วัดนี่อาตมาเสกไว้แล้วใครทานข้าววัดนี้แล้วกลับไปรวยทุกคนถ้าเช่นนั้นดิฉันจะต้องทานบ้าง เพราะดิฉันอยากรวยหลอนพูดแบบมีเงื่อนไขคนที่คิดไว้แต่แรกว่าจะไม่รับประทานจึงพากันเปลี่ยนใจเพราะาอยากรวยเช่นเดียวกับสตรีผู้นั้นทุกคนพากันกราบท่านแล้วก็เดินไปยังโรงครัวท่านกำลังจะขึ้นไปชั้นบนเพื่อชั้นพัหารก็มีสตรีอายุราวสาสิบกับบุรุษอายุราวห้าสิบพากันมากราบท่านคิดว่าคนทั้งสองมาด้วยกัน จึงบอกให้รับประทานอาหารเช้าก่อนบุรุษผู้นั้นตอบว่าผมยังไม่หิวครับผมมีเรื่องด่วนจะมากราบเรียนหลวงพ่อด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาท่านพระครูจึงกลับไปนั่งยังอัสนะและก็บอกว่ามีอะไรก็ว่าไปคือว่าผมอยากจะมาขอให้ท่านช่วยหาภรรยาให้ผมสักคนหนึ่งครับอ้าวยังไม่มีภรรยาห ร, อหรือ อาตมานึกว่ามากับภรรยาสตรีที่เข้ามาพร้อมกันรีบกราบเรียนว่าหนูไม่ได้เป็นภรรยาลุงคนนี้นะคะแล้วหนูก็ไม่ได้มากับเขาเมื่อถูกเรียกว่าลุงคนที่จะมาขอให้ช่วยหาภรรยาก็โกรธเป็นฟินเป็นไฟพูดกับท่านพักครู ว, ว่าผู้หญิงผู้จายหยาบคายอย่างเนี้ยผมไม่เอาไปเป็นภรรยาหรอกครับสตรีนั้นโกรธจนหน้าเขียวหน้าเหลือง ย้อนไปว่าผู้ชายแก่ๆท่าทางงกเง ก, กนเงนืออย่างลุงเนี่ยหนูก็ไม่เอามาเป็นสามีหรอกค่ะสามีของหนูต้องหล่อทั้งรวยบุรุษนั้นทำท่าจะเถียงท่านเจ้าของกุฏิจึงห้ามทับพอทีพอที อย่าอากุฏิอาตมาเป็นวิธีประลองฝีปากเลยนะอาตมาขอร้องแล้วพูดกับบุรุษนั้นว่าโยมยังไม่มีภรรยาห ร, อหรือมีแล้วครับมีแปดคนแต่อยากจะมาขอคนที่เก่าจากหลวงพ่อว่าอย่างไงนะมีภรรยาตั้งแปดคนเชียวรึออาตมาไม่ได้ฟังผิดไปนะท่านครับผมมีแค่แปดคนเอง จะมาขอคนที่ก้าวจากท่านครับพูดฉะฉานเจตนาจะข่มสตรีรุ่นลูกด้วยท่านพระครูอยากรู้ว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นจึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและท่านก็รู้เขาไม่ได้พูดเล่นส่วนสตรีที่นั่งอย่างเรียบร้อยอยู่หน้าอาสนะท่านก็มีสามีถึงสามคนในคราวเดียวกันแล้วก็อยู่กันแบบสี่คนผัวเมีย ในบ้านหลังเดียวกันคนไทยสมัยนี้เป็นอะไรกันไปแล้วหนอท่านไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะต้องมารับรู้เรื่องราวประหลาดประหลาดของบุคคลทั้งสองจากนั้นจึงบอกบุรุษผู้มีภรรยาแปดคนว่าอาตมาต้องขอโทษที่ไม่สามารถให้ในสิ่งที่โยมขออาตมาเองก็ยังหาภรรยาไม่ได้สักคนก็เลยต้องมาบวช แล้วจะไปหาให้โยมได้ยังไงเอาไว้หาเอาเองให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยช่วยโยมหาท่านเจตนาจะล้อเล่นเทาะว่าเขากลับคิดเป็นจริงเป็นจังพูดกับท่านว่านี่ท่านจะมาอีหรอบเดียวกับผม ห, หรือไอ้ผมก็นึกว่าท่านเคร่งศีลเคร่งธรรมที่แท้กบวดเพราะหาเมียไม่ได้นี่เองแต่ก็เอาเถอะผมจะช่วยสงเคราะห์ท่านเดี๋ยวจะหาเมียให้สักคน เขาแสดงความเอื้อเฟือ้ออัตมาขอบใจแต่ไม่ขอรับการสงเคราะห์จากโยมอัตมาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ซึกจะอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีแล้วเอาละ่ะโยมมีอะไรที่จะให้อัตมาช่วยท่านถามสตรีวัยประมาณสาสบก็ไม่มีอะไรมากค่ะหนูได้ข่าวจากเพื่อนๆว่าคนที่มาหาหลวงพ่อล้วนแต่เอาทุกข์เอาปัญหามาให้ ก็เลยสงสารหลวงพ่อหล่อนปลายตาไปทางบุรุษไว้ห้าสิบคิดว่าใช้สายตาด่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ด่าเสียเลยขอบใจโยมมากที่สงสารอาตมาและโยมาที่เนี่ยเพื่อจะมาช่วยงานอาตมาอย่างนั้นหรือท่านยังมองไม่เห็นว่าหล่อนจะช่วยอะไรท่านได้ไม่ใช่ค่ะหนูมาช่วยหลวงพ่อไม่ได้หรอกค่ะเพราะต้องทาหน้าที่แม่บ้าน เพียงแต่หนูจะมากราบเรียนหลวงพ่อว่าหนูมีความสุขมากไม่เคยมีใครบอกหลวงพ่ออย่างนี้เลยใช่ไหมคะเพราะเหตุนี้แหละหนูถึงมาบอกเพราะถ้าหลวงพ่อเจอแต่คนเอาทุกขมาให้ก็จะสลดหดหูใจต้องเจอคนที่มีความสุขอย่างหนูจะได้รู้สึกสดชื่นรื่นเริงใจ่อนบอกจุดประสงค์ของการมาและโยมทำอย่างไรถึงมีความสุขละ่ะ บอกอาตมาได้ไหมเพื่ออาตมาจะได้มีความสุขกับเขาบ้างท่านออกสงสัยว่าคนมีสามีสามคนพร้พรอมๆกันจะมีความสุขไปได้อย่างไรแต่แล้วก็ถึงบางอ้อเมื่อหล่อนสาธยายว่าคือหนูมีสามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันสามคนคะ่ะเราอยู่บ้านเดียวกันนอนห้องเดียวกันหนูบริหารงานดีมากสามีปรองดองกันดี ไม่มีหึงหวงเช้ามาหนูก็ต้องชงกาแฟไว้สีถ้วยของสามีสามถ้วยของหนูหนึ่งถ้วยแล้วหนูก็รู้ว่าสามีคนไหนชอบหวานคนไหนไม่ชอบหวานสามีหนูมีงานทำทุกคนพอสิ้นเดือนเขาก็เอาเงินเดือนมาให้หนูและหนูก็จดทะเบียนสมรสให้ทุกคนเพียงแต่คนหนึ่งจะจดจังหวัดหนึ่งสามคนก็สามจังหวัด เรื่องดูเหมือนจะยุ่งแต่จริงๆแล้วไม่ยุ่งค่ะเพราะหนูบริการเก่งล่อนชมตัวเองอีกแล้วถ้ามีลูกคุณจะรู้หรือว่าใครเป็นพ่อส่วนผมภรยาคนไหนตั้งคันผมก็รู้ว่าผมเป็นพ่อเด็กออกมาก็รู้ว่าใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ส่วนคุณรู้แต่แม่ส่วนใครเป็นพ่อก็จะไม่รู้ บุรุษนั้นถือโอกาสแก้แค้นหล่อนท่านพระครูฟังแล้วแทนที่จะสุขใจกลับรู้สึกสลดใจจึงพูดกับคนทั้งสองด้วยเสียงปกติว่าเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันเรื่องนี้อัตมาขอสรุปสั้นๆว่าความสุขของคนไม่เหมือนกันโยมสองคนมีความสุขกับการมีภรรยามากมีสามีมากส่วนความสุขของอัตมา ก็อยู่ที่การได้ช่วยและการให้เพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอบอกโยมผู้ชายว่าอาตมาไม่สามารถจะหาภรรยาคนที่กล่าวให้โยมได้เพราะในพระวินัยมีข้อบัญญัติสำหรับพระภิกษุว่าห้ามชักสือส่วนโยมผู้หญิงอาตมาก็ขอบใจที่อยากให้อาตมามีความสดชื่นรื่นเริงใจแต่อาตมาบอกตามตรงว่า สิ่งที่โยมประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเอาละใช้เวลามามากแล้วอาตมาจะขึ้นไปชั้นพัตหารเพนประเดี๋ยวจะเลยเวลาแล้วท่านจึงขึ้นไปยังชั้นบนของกุฏินายสมชาติเตรียมสำรับกับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วท่านรับประเคสแล้วพิจารณาอาหารก่อนจึงลงมือฉัน าบ่ายสามโมงท่านพระครูเดินไปยังหอประชุมเจริญชัยเพื่อสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมที่มาปฏิบัติกรรมฐานเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาแพทย์หญิงสุขุมารได้มากราบเรียนว่ามารดาของเธอป่วยเป็นมะเร็งในสมองจะมีอายุอยู่ต่อไปได้อีกไม่เกินสามเดือนท่านจึงบอกให้พามาต่ออายุที่วัดมารดาของเธอชื่อยุพิน ท่านเรียกนางว่าแม่พินแม่พินเป็นสิทธิกรรมฐานของท่านมาตั้งแต่สมัยที่ท่านสอนอยู่วัดพรหมบุรีเมื่อท่านย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงแม่พินซึ่งอายุแก่กว่าท่านประมาณสิบปีก็ยังตามมาเรียนกับท่านโดยภายเรือมาจากสิงบุรีในฤดูน้ำหลากต้องภายทวนน้ำกลับบ้านด้วยความยากลำบากเพราะเมื่อภายไปข้างหน้าได้สองสอก น้ำจะพัดเรือถอยหลังกลับมาหนึ่งซอกจินต้องเสียเรี่ยวเสียแรงและเวลามากกว่าตอนมาซึ่งเรือแล่นตามน้ำแม่พินนั่งกรรมฐานเก่งและเป็นผู้มีความอดทนเป็นเยี่ยมสมัยที่ยังไม่ได้สร้างหอประชุมพวกญาติโยมใช้ศาลาหลังเก่าที่เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานหน้าฝนยุงชุมมากญาติโยมไม่ค่อยนิยมปฏิบัติ แต่แม่พิมพไม่ย่นยอ่อนั่งกรรมฐานท่ามกลางกองทัพยุงฝูงยุงกัดกินเลือดแล้วเกาะนิ่งอยู่ที่เสื้อมองเผลอเผลอนึกว่าแม่พิณใส่เสื้อสีแดงท่านยังไม่เคยเห็นสิทธกรรมฐานคนไหนเข้มแข็งอดทนได้มากเท่ากับแม่พิณการที่แม่พิณเข้มแข็งอดทนเพราะมีนิสัยปัจจัยมาแต่อดีตชาติสมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองกรุงศรีอยุธยาระหว่างปีพุทธศักราช 2,133 ถึง 2,148 กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงของไทยนานถึง417ปีมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองถึง33องค์สมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินลำดับที่19และเป็นลำดับที่2แห่งราชวงศ์สุขโขทยัย ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่สามราชวงศ์แรกคือราชวงศ์เชียงรายราชวงศ์ที่สองคือราชวงศ์ที่สองคือราชวงศ์สุพรรณภูมิราชวงศ์ที่สี่คือราชวงศ์ประสาททองและราชวงศ์สุดท้ายคือราชวงศ์บ้านพลูหลวงในชาตินั้นแม่พิมเป็นทหารคนสนิทของท่านมีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีเป็นที่สุด ได้ติดตามท่านไปรบในช่วงทําสมกรามกับพมา่ากระทั่งได้เป็นไข้ป่าตายในขณะตั้งทัพอยู่ในพมา่าท่านเสียใจกับการตายของทหารคนสนิทมากร่างของเขาถูกฝังไว้กลางป่าไม่ได้ทําพิธีทางศาสนาแต่อย่างใดในชาตินั้นแม่พินก็แก่กว่าท่านสิบปีและท่านก็มักจะเรียกทหารผู้นั้นว่าขุนพลเท่า สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายท่านเคยเกิดเป็นแม่ทัพเอกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงแล้วก็มีทหารคนสนิทคือนายจันสมซึ่งในชาตินี้ก็มาเกิดเป็นนางสาววันวิไลวัตจักรชีวิตช่างวกวนจนจับต้นจนปลายไม่ถูกเมื่อใดที่บุคคลยังหลงอยู่ในสงสารเมื่อนั้นจะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตจักชีวิต ท่านโชคดีที่ตัดความหลงในสงสารใช้ได้จึงไม่ต้องมีพบชาติใหม่อีกต่อไปเมื่อมาอยู่วัดป่ามะม่วงแม่พินก็ได้เป็นกำลังสำคัญของการสอนกรรมฐานเดือนก ร, รกฎาคมก็จะเข้าปรรษาท่านจะให้แม่พินปฏิบัติอย่างอกกริตตลอดสามเดือนเพื่อรักษามะเร็งให้หายคนมีความเพียรพยายามอย่างแม่พินสามารถปฏิบัติจนมะเร็งหายได้ ระหว่างนี้ท่านก็จะให้แม่พินสอนกรรมฐานไปก่อนและกินยาสมุนไพรที่ท่านเป็นผู้ปรุงให้ในชาติที่เป็นแม่ทัพท่านปล่อยให้แม่พินต้องตายอยู่กลางป่าโดยที่ท่านไม่ได้สามารถช่วยอะไรได้แต่ชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของท่านแม่พินจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างดีที่สุดเป็นอย่างไรบ้างญาติโยมปฏิบัติกันได้เรียบร้อยดีไหมท่านถามแม่พิน ก็เรียบร้อยดีจ้าหลวงพ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากสอบอารมณ์กับหลวงพ่อเขาบอกว่าเขาระลึกชาติได้แม่พินรายงานคนไหนเรียกมานั่งข้างหน้าอาตมานหน่อยแม่พินจึงเดินไปบอกสตรีวัยสามสิบเศษให้มานั่งตรงหน้าอาสนะหญิงสาวกราบสามครั้งแล้วกล่าวว่าหลวงพ่อคะ หนูระลึกถึงอดีตชาติของตัวเองได้ค่ะสิ่งอยากให้หลวงพ่อช่วยตรวจสอบว่าหนูคิดไปเองหรือว่าความจริงเป็นอย่างนั้นหมายความว่าหนูไม่เชื่ออย่างนั้นหรือหนูเชื่อค่ะเพียงแต่หนูสงสัยว่าความเชื่อของหนูกับความจริงเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่หนูอาจเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เล่าให้หลวงพ่อฟังหน่อยสิว่า หนูระลึกถึงอดีตชาติของตัวเองได้ว่าอย่างไรหญิงสาวจึงเล่าด้วยเสียงปกติว่าหนูเห็นตัวเองเป็นนักรบเคียงบาเคียงไหลกับพ่อออกสงครามเป็นแม่ทัพเอกในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรสวนมหาราช มีทหารคนสนิทอายุแก่กว่าพ่อประมาณสิบปีพ่อเรียกทหารคนนั้นว่าขุนพลเท่าแม่ทัพที่เป็นพ่อของหนูชื่อพระยามหากริย์ศึกไม่ใช่เจ้าพระยามหากริย์ศึกซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะพ่อหนูเป็นแค่พระยาไม่ใช่เป็นเจ้าพระยาครั้งหนึ่งหนูติดตามพ่อไปรบชาตินั้นหนูเป็นผู้ชายนะคะ ไม่ได้เป็นผู้หญิงอย่างชาตินี้หนูไปรบและตั้งทับกันอยู่ในป่าขุนพลเท่าเกิดเป็นไข้ป่าเสียชีวิตลงพ่อหนูเสียใจมากแล้วก็ได้ฝังร่างขุนพลเท่าไว้ในป่าพ่อยังใช้ให้หนูช่วยกันขุดหลุมกับพวกทหารมาในชาตินี้หนูเกิดมาเป็นผู้หญิงพ่อหนูเกิดเป็นผู้ชายคือหลวงพ่อคะ่ะหนูเป็นลูกของหลวงพ่อในอดีตชาติ หนูระลึกชาติได้อย่างนี้หลวงพ่อจะเชื่อหรือไม่เชื่อหนูก็ไม่ทราบแต่หนูเชื่อคะ่ะเชื่อทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่หนูก็มั่นใจว่าหลวงพ่อจะต้องรู้หนูจึงอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่หนูรู้และหนูเห็นในกรรมฐานนั้นตรงกับความจริงในอดีตหรือไม่คะแล้วหนูรู้ไหมว่าขุนพลเท่าไปเกิดที่ไหนท่านพระครูถาม ท่านเชื่อโดยไม่ต้องพึ่งเห็นหนาว่าสิ่งที่หญิงสาวเล่ามานั้นเป็นความจริงในอดีตชาติหนูไม่ทราบค่ะแต่ก็แปลกพอหนูเห็นหลวงพ่อกับคุณแม่ยุพินเป็นครั้งแรกหนูก็เกิดความรู้สึกผูกพันเหมือนกับว่าคุ้นเคยกันมานานไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเคยเกี่ยวข้องกันมาแต่ครั้งอดีตนะซี หนูจะเชื่อหลวงพ่อไหมหากหลวงพ่อจะบอกว่าแม่พินคือขุนพลเท่าคนนั้นจริงเหรอคะหญิงสาวอุทานด้วยเสียงค่อนข้างดังพร้อมกับโผลเข้าไปหาแม่พินผู้ซึ่งกางแขนออกรับหลอนมาไว้ในอ้อมอกต่างปิติยินดีจนน้ำตาไหลจนต้องกำหนดปิติหนอปิติหนออยู่นาน ขอบใจนะแม่คุณที่ช่วยขุดลุมฝังแม่แม่พินบอกหญิงสาวพลางคลายวงแขนออกหนูก็ต้องขอบคุณคุณแม่ที่ให้หนูขี่คอและก็พาไปเที่ยวหนูรักขุนพลเท่ามากเพราะเห็นมาตั้งแต่หนูเป็นเด็กนอกจากนี้ยังช่วยสอนเพลงดากและการรบให้หนูจนสามารถออกรบกับพ่อได้ชีวิตคนเรานี่แปลกมากนะคะหลวงพ่อ ถ้าหนูไม่ได้มาเข้ากรรมฐานคงไม่รู้ว่าชาติก่อนตัวเราเป็นใครที่หนูมาเข้ากรรมฐานก็ไม่เคยคิดว่าจะมาระลึกชาติได้เพียงแต่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลไว้เป็นสเสบียงในการเดินทางไปต่อเท่านั้นหญิงสาวบอกเหตุผลการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้หนูจะไปศึกษาต่อที่ไหนเมื่อไรที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ จะเดินทางเดือนหน้าหนูได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยที่หนูสังกัดค่ะมหาวิทยาลัยอะไรท่านพระครูถามอีกหญิงสาวจึงบอกชื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเอาละหลวงพ่อขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและต้องให้จบปริญญาเอกนะ ลูกหลวงพ่อจะต้องจบด็อกเตอร์ค่ะหนูจะพยายามบุญกุศลจากการเข้ากรรมาฐานจะช่วยส่งเสริมให้หนูเรียนจบหนูมั่นใจอย่างนั้นค่ะแล้วหนูไปคนเดียวหรือหรือว่าครอบครัวไปด้วยสามีกับลูกสาวไม่ได้ไปด้วยค่ะสามีก็จะไปต่อปริญญาเอกส่วนลูกสาวหนูเพิ่งอายุเจ็ดขวบก็จะให้ไปเรียนที่นั่นค่ะดี จะได้ไม่คิดถึงลูกเอาละญาติโยมคงเห็นแล้วนะว่าวัาตจักรชีวิตของคนเราจะต้องหมุนเวียนมาเจอกันอย่างอาตมากับหนูคนนี้ท่านบอกกับญาติโยมที่นั่งรอการสอบอารมณ์ซึ่งเท่ากับเป็นพยานในเรื่องนี้ไปโดยปริยายเวลาเที่ยงคืนท่านพระครูกำลังนั่งพักผ่อนก็มีเสียงมากระซิบที่ข้างหูว่าก่อนจะไปอินเดีย จะให้พบสิทธิ์ที่เราให้กรรมฐานจำได้ไหมเราเคยบอกว่าเราให้กรรมฐานเพียงสามคนรู้หรื อ, อยังว่ามีใครบ้างเป็นเสียงของหลวงพ่อในป่าที่ท่านเคยคุ้นหลวงพ่อเคยบอกว่าคนแรกคือสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือคนที่ส่วนใหญ่รู้จักท่านในนามพระเจ้าตากสินคนที่สองคือ ผมตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าคนที่สามคือใครแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วใครละ่ะพระบัวเหียวครับถูกแล้วตอนนี้พระบัวเหียวอยู่กับเราแล้วเขาก็เข้าถึงความเป็นผู้ไม่เกิดอีกแต่ไม่เก่งเท่าเธอตรงที่สอนคนอื่นไม่ได้เพราะรู้ได้เฉพาะตนจึงต่างสํานักอย่างเธอไม่ได้ ผมจะได้พบองค์ไหนครับถามอย่างน่ายินดีทั้งสององค์และเสียงก็หายไปมันพรชิดววยห้าสิบเศษรู้สึกปีตินักที่จะได้พบสิทธิ์ร่วมอาจารย์